เป็นวันพิหัสมีนาคมตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดแหลมสามคำเรือนสามการฟังธรรมะต้องตั้งใจเพื่อความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกัน วันนี้ผมจะพูดเรื่องอย่างรู้มาจากพ่อแม่เราสู่ฟังไม่ใช่เป็นผมรู้ที่ผมรู้มาเองพ่อแม่เราสู่ผมฟังพอซื้อนายจีนผมสำหรับพ่อผมและไม่ครัวผมซื้อนายจีนโอ่ นางสมว่าผมเกิดวันที่ห้าตรงกับเดือนกันยานยนสองพันสี่สองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ตรงกับวันอังคารขึ้นสิบสามพเดือ 10, นสิบมีปุ่นเกิดที่บ้านบุคโมตำบลบุคโม อำเภอเสียงคานจังหวัดเลยผมมีพี่น้องรวมท<า>้อ ง, งเดียวกันหกคนหนึง่งซื้อนายสายพิมท์ถผิวสองนายปุ้ยพิมท์ถผิวสามนายอุ่นพิมท์ถผิว 4. ีนางหวัน คืนสองห้าําหรับผมเสื้อพันดินทศิลวหกันดินทศิลผมอายุสุดโอเคได้หมวดเป็นสามเณรแม่ให้หมวดอยู่ได้มีหกเดือนได้ฝึกวิธีปฏิบัติธรรม กัมมาฐานยึดีพุทโภหายใจเข้าพุทหายใจออกโภเข้ายาวๆมนรยะช่วงโบวชเป็นส ม, มเนธนั้นไดงหัด ส, สัมมาฐานยึดีพุทโภและสัมมาอารหังกงให้หายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันมาสัมมาอารหังหายใจเข้าเนี่ยสัมมาหายใจเข้า เลีว่าสมาอหังและยังได้เรียนลืดที่หายใจเข้านับนึงหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหกเสิบเมื่อนับถึงสิบแล้วก็นับตัง้งแต่สิบเก้าแปดเจ็ดลงมาถหนึ่งเป็นรืดทีหายใจเข้าหายใจออกเช่นเดียวกัน ในระยะบวชอยู่ปีหกดวมน้ำผมไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่เรียนหนังสือลายพอนนเขียนได้อ่านเป็นแต่ไม่เก่งแต่ปึกกรรมฐานก็เหมือนกันไม่เก่งแต่พอได้มีเนนร่วมกันหลายคนแต่เขาไม่สนใจผมคิดว่า การบทเข้ามาต้องฝึกหัดวิธีทำกรรมฐานเพื่อให้รู้สิ่งที่ควรรู้ไม่เจอรู้อย่างที่ไม่รู้ให้รู้สิ่งที่ควรรู้ไม่เจอรู้อย่างที่ไม่รู้นะดังนั้นตอนนั้นสุกแต่มันอยู่รู้จํารู้จักอย่างไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริงเมื่อ ไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงพอ่อยังไม่ใช่เป็นความรู้ของตัวที่รู้มาเองเป็นความรู้มาจากํำลาหนูครูบาอาจารย์สอนให้พ่อแม่เราให้ฟังพี่น้องเราให้ฟังคนเข้าคนเสียเราให้คกจุจำนำเอามไว้เท่านั้นเองวันนี้เมือ่อศึกมาเป็นหนุ่ม พอทำานาทำสวนกินอย่างทำเนียมบ้านของผมเพราะว่าบ้านของผมขาดการศึกษาเรีเยน ม, มีคนเท่าคนแก่ไปจำโบสถ์ศิลในวัดนี่ะจะมีการให้ถ า, า, ามากบ้านผมวันพระวันเจ็ดคำ่ำ วันแปดค่ำวันสิบสี่ค่ำวันสิบห้าค่ำนี่โดยขขเฉพาะคนเฒ่าคนแก่นี่ต้องไปจังติ้งคนหนุ่มบางคนผู้สนใจก็ไปจังติ้งด้วยกับคนเฒ่าคนแก่บางครั้งผมก็ไปไปจังติ้งเดี่ยวไปรักษาสิ้นโบสถสิ้นแตกบางครั้งก็ไม่ไปจริงอย่างนี้นต่อมาอายุยี่สิบปี ัมที่ทายก็ให้ดูดูหเดือนก็ได้ทำกรรมฐานอย่างที่เคยทำมาแล้วนั้นให้ตำานิตำนานรู้ดีขึ้นและยังมีการเดินผู้ดงกันการเดินผู้ดงนั่นคนเฒ่าคนแก่ท่านก็เตรียมอุปกรณ์ให้มีตดแล้วก็มีบาสอุปกรณ์การเดินผู้ดง การเดินทุ้ดงท่านบอกไม่ให้เข้าไปอยู่ในบ้านและไม่ให้ไก่บ้านอยู่ตามเสียงนาหรือตามป่าต่าหรือตามสวนใกล้ๆกับบ้านคนอย่าให้มันห่างเกินไปบินทบาทพอดีสบายบายแต่ไม่รู้จักว่าเดินทุรดงหมายถึงอะไรไม่รู้แต่ทําตามทาเนียมประเพณีถือว่าดีที่เรายังไม่รู้ต้องทำ ทำเพื่อผมรู้เพื่อผมเข้าใจไม่ได้ผวมไม่รู้เราอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเป็นยังไงการเดินโคดงจะได้รับประโยชน์อะไรทำมาอย่างนั้นนอกจากนั้นกดสึกออกมาเป็นหนุ่มทำนาทำสวนอย่างที่ปรเพณีเคยทำกันมานั่นแหละนลกวก็มีการให้ทานมีการรักรับซึ้งโยมา จนมามีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวผมมีลูกเรียกว่าสามคนคนหัปีชื่อว่านายเนียมต่อมาค่ะเป็นนายเตี้ยนอยู่มานายเนียมตายเขาเรียกเอทีแรกมีนายเนียมกับนายเตี้ยนเขาเรียกผมเป็นพ่อนายเตี้ยมเดี๋ยวพ่อเตี้ยแม่เตี้ยนาย ต่อมานายเทียมตายเขาก็มาเรียกคือว่าพ่อนายเทียนเดี๋ยวพ่อเทียนแม่เทียนยังเหลืออยู่มีนายเทียนกับนายเตรียมที่เป็นลูกมีสองคนเป็นตายแต่เป็นตายทั้งสามคนตายไปคนหัวปีดังนั้นบ้านผมจึงเรียกว่าพ่อเทียนแม่เทียนเมื่อมาบวชเขาเรียกว่าหลวงพ่อเทียน แต่ความจริงซื้อเดิมผมนั้นซื้อผ่านกินทัาถิวดังนั้นการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนั้นแต่ก่อนผมไม่รู้เรื่องสมมุติผมไม่รู้จริงจริงวันนี้เมื่ออายุ4ี่สิบหกปีผมได้ไปฝึกหัดกรรมฐาน ต, ตอนวิธีง่ายๆทำการเคลื่อนไหวแต่ในสำนักนั้นในสำนักนั้น ไม่ได้ตำหนักนะผมพูดเป็นภาษาบ้านของผมมันไม่ถนัดเพราะผมไม่เคยพูดภาษากลางก็เลยพูดเป็นภาษาสำเนียงเพราะผมเป็นคนลาวแต่ไม่ใช่เป็นคนลาวฝั่งซ้ายนะเป็นคนลาวอีสานเขาจะเป็นคนลาวอีสานเพราะว่าบ้านผมใกล้กับเมืองลาวในระยะนั้นผมทํำ โอ้สำมาลาหังนับนิสองสามเดินผู้ดงแต่วิธีผ่องยุคนี้อย่างอย่างไม่เข้าใจเมื่ออายุสี่เมื่อหลัผมมาผมโคตรหลงเมื่อกี้เนี่ยเมื่อผมมาจังหวัอดอุดรพ่อมีอาจารย์แนะนําให้ทําวิธีของยุคเมื่อผมได้วิธีผองยุคผมก็ไปทําวิธีของยุคและอายุสี่สิบหกปีเนี่ยครับ ผมไปทําวิธีการเคลื่อนไหวที่นิ่งอีกด้วยเพราะว่าตำนักนั้นท่านสอนวิธีของยุคบ้างที่นิ่งบ้างเดท่านจะทําไปฝึกหัดอยู่ในระยะ น, นั้นไม่นานผมไปขอกรรมฐานจากหลวงพ่อวันทองหลวงพ่อวันทองท่านเป็นประหลักอำเภอเก่าท่านคบเกิดเดียนะท่านก็มาบวช สอนนิพพัสนาของยุบอยู่ที่อำเภอสีเจียงใหม่ในขณะนั้นอำเภอสีเจียงใหม่นั้นยังเป็นตำบลพันท้นาวยังไม่ได้เป็นอำเภอเป็นตำบลพันท้นาวอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายผมได้มาฝึกหัดอยู่ที่นั้นตอนที่ผมไปฝึกหัดนั้นมีพระยี่สิบสามลูปมีผู้หญิงกับผู้ชาย เป็นคร า, าวาสโดยกันห้าคนมีน้องพี่พระมุขคนหนึ่งกับผมเป็นผู้ถานและมีผู้หญิงสามคนเป็นห้าคนเติมเป็นฆลาวตสบนฆร า, าวาสเหนาาาือขรุคระไปสุดหัดพระยี่สิบสามรูความรู้แตกต่างไม่เหมือนกันเพราะการกระทําไม่เหมือนกันแล้วผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจพ่อไม่เหมือนกันจริงๆเรื่องนี้ ผมมีความรู้ไม่เหมือนกับใครในระยะนั้นเมื่อไปปฏิบัติธรรมหนายห้อยพรมุกนี่ต้องเป็นคนชอบพอกันมาแต่ก่อนเดี๋ยวก็ไปและไปพูดไปคุยกับผมผมก็พยายามทำภุรณาที่ของตัวเองแต่เมื่อนายห้อยพรมุกไปหาผมจําเป็นผมต้องพูดต้องคุยกับท่านบ้าง ต่อมาผมมีความรู้สึกตัวคิดว่าถ้ามาพูดมาคุยกันอยู่อย่างนี้การมาประปฏิบัติธรรมนี้คงจะไม่ได้สมกฎหมายผมก็าหาวิธีหลีกเลี่ยงออกมาเดินผู้ดงเออเออกมาเดินจงกลมถ้าเห็นไหนว่าคนมุกมาหาผมผมก็มาเดินมายางอยู่ต า, า, ากแดดเพราะมันเป็นทุ่งนาไ ม, ม, าไม่มีต้นไม้มีต้นหอยต้นพุทธา บ้านผมต้นหนกชันกับต้นส้นคอต้นค อ, อ, อ, อยนั้นเรียกว่าต้นส้มคอต้อนสุ้งชาเรียกว่าต้นหนักชันบ้านผมเป็นนั้นดังนั้นผมมาทําอยู่ที่นั้นใหมนะ่พอดีนะพระพุทมุขก็เลยไม่มาคนระับ ผ, ผมก็ได้ปฏิบัติธรรมะอย่างเต็มอกเต็มใจที่ตัวเองวางแผนการมาปฏิบัติธรรมะนั้นดังนั้นก่อนที่ จะรูกผมมาขอกรรมฐ า, านแล้วก็ปฏิบัติมาผมนั่งขี้เทียจตอนเช้าครับขอกรรมฐ า, านวันแต่ค่ำวันแต่ค่ำกลางคืนประมาณสองทมเนี่ยมาทําไม่ดูเหมันขี้เกียจแล้วก็ขยันขี้เกียจแล้วก็ขยันขยันแล้วก็ขี้เกียจมันมีสองคนมันทะเลาะต่อว่าต่อเสียงกัน เดียวมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเดียวก็นอนลงนอนลงทำไมมาปฏิบัติธรรมะมันทะเละเาะกนันอยู่จัาเป็นบ้าแต่ไม่ใช่บ้าไม่นุ่งเสื้อนุ่งผ้าบ้าไม่รู้จะกทายไม่ใช่บ้าอย่างนั้นบ้าความไม่มีสติในขณะขยันก็ต้องมีสติในขณะเกียร์คานก็ไม่ลืมไป ความตั้งใจของคนมันหวันไหวอยู่อย่างนั้นดังนั้นเมือม่อเก้าคำตกเมื่อเก้าคำผมก็เตรียมตัวทำเต็มที่แต่ไม่รู้เมื่อเก้าคำเย็นตกเย็นนอนตื่นเช้ามาเป็นมืดสิบคําผมรู้เขาเ้าไปตอนเช้าประมาณตีห้าเนี่ยครับ พราะดูลายมือยังไม่เห็นสว่าผมนู่งกางเกงขาสั้นมแมงป่องตัวหนึ่งตกมาจากหลังตรงมาจากที่พดานเพราะมันเป็นหนึ่งห้างตกมาใส่ขาผมผมนู่งกางเกงขาสั้นแมงฟองตัวนั้นแมงงอดบ้านผมมันมีลูกอยู่ในท้องมันมันตกลงมาแต่ขาผมลูกมันก็กระจายออกตามขาผมไปยังง เมื่อเรากระจายออกตามขาผมแม่มกว่าเลยมอบอยู่ที่ตรงนั้นนานนานลูกมันแรนมันวิ่งเข้าไปมนไต่เข้าไปหาแม่มันผมก็เลยหาไม่มาแตะในเนื้อขาผมพอดีนเนื้อขาผมมันไหวตัวขึ้นมาผมก็เลยรู้จักลูกนามขึ้นในขณะนั้ น, น, นทันทีแม่กองก็เป็นลูกขาผมก็เป็นลูก ที่มันเคลื่อนไหวแมงปองเคลื่อนไหวเป็นน้าตัวเนื้อหนังผมมันไหวผมลู่ตึก็เป็นน้าผมเลยรู้จากรูปน้ำในขณะนั้ำนะครับแต่ก่อนผมลู่ตาเห็นเป็นรูปลู่จากรูปเป็นน้ําในขณะเมื่อเป็นเนนปูบางอาจารย์สอนว่าน้ำน้ำสัพนามสุดน้ำอันตรน้ำนั่นถึงซื้อของค่าคุมของเครื่องใช้ตัวเป็นสัพนามทั่วไป นนดังนั้นเมื่อผมรู้จักรูปนามดีแล้วเนี่ยแต่เอเมียงฟองไปวางและใันเทนาก่อนนะครับเอาไม้แก็ไปนั้นแนี่ฟองมันเดินมาจากไม้ผมแล้วผมก็ไปวางและขัแนเทนาแล้วขับขึ้นมาทําจังหวะในขณะนั้นน่ะไม่นานครับเรียกว่าในขณะเดียวกันนั่งก็ได้รู้จักรูปนามรู้จักรูปทํานามทํา รู้จักลูกโรคนามโรคลูกโรคนามโรคมีสองอย่างด้วยกันโรกทางเนื้อหนังเจ็บงอปวดท้องอันนี้ลูกเป็นโรคก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอโรงพยาบาลตรวจเด็กร่างกายแล้วก็ให้ยารักษาบางครั้งก็หายบางครั้งก็ไม่หายอันนี้ลูกโรคนําก็คือใจมันเจ็บเดี๋ยวนามก็เป็นโรคด้วยกันกับลูก แต่ลูกโลกนามโลกอีกชนิดหนึ่งลูกไม่เจ็บหัวไม่ปวดท้องแต่จิตใจมันนึกคิดหวั่นไหวพอใจไม่พอใจอันนี้นี่ว่จาจิตวิญญาณเป็นโลกหรือนามโลกโดยเฉพาะโลกสตินี้ต้องเจริญสติอย่างที่ทำคมรู้สึกตัวนี้เองเมื่อทำคกามรู้สึกตัวแล้มันเห็นมันรู้มันเข้าใจมันสับได้เลยว่ารู้อย่างผู้รู้ รู้อย่างแจ่มแจ้งนี่วรู้ไม่แต่รู้จำไม่แต่รู้จักรู้อย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างผู้รู้ไม่แต่รู้อย่างผู้ไม่รู้ผมรู้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เมื่อรู้จักรู้โลกนามโลกดีแล้วก็เลยรู้จักทุกขังอนิกจังอนัตตาแต่ก่อนผมรู้จักทุกขังอนิกจังอนัตตาตามโคบาอาจารย์หรือพ่อแม่สอนให้นะมึงผมนั่งควันขับ เมื่อหนังมันเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็แห้งเข้าพร้อมเข้าหรือเจ็บแขนเจ็บขานั่งนานนานไปไหนมาไหนพอรู้ตึเดเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าอันสองแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วไม่ได้อย่างนั้นพอมรู้อันนั้นรู้แบบไม่รู้พอมรู้ที่ผมรู้มา น, นี่รู้อย่างแบบผู้รู้รู้อย่างผู้รู้ โตการเคลื่อนการไหวทิกมือขึ้นข้อ ม, มือลงยกมือไปเอามือมาเอียงซ้ายเอียงขวก้มเลยนี่เป็นตัวทุกขงังทุกขังหมายถึงมันติดอยู่กับรูปอ น, นิจจังหมายถึงไม่เที่ยนานักตารบังคับบัญชาไม่ได้ผมเข้าใจอย่างนั้นมันนิ่งนิ่งไม่ได้ไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ได้เดียวกว่าทิศตา เดียวกวหายใจเดียวกว่าดีเที่ยวมือกรรเนี่ยวมือแล้วมันเป็นสภาพตัวทุกตัวอิทธิบททุกอย่างน่ะเป็นทุกขงังตัวอิทธบาทุกอย่างน่ะเป็นอาวุธจังอยู่ในที่ยงตัวมันเคลื่อนมันไหวห้ามไม่ได้เป็นตัวหนาาา้าตาเลยเข้าใจอย่างนี้อันนี้รู้อย่างคูรู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าเนั่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้ผมก็เลยรู้สมมติขึ้นมา สมมุติถี่สมมุติเทวดาสมมุติพระอินทร์พระพรมสมมุติให้ว่าสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างผมรู้ในขณะนั้นสมมุติเงินทองคําผู้ใหญ่บ้านกำรรนั้นผู้ประจานตํำรวจทหารผมรู้มันเป็นเพียงสมมุติขึ้นเท่านั้นเองถี่ แต่ไม่เคยเห็นผีแป่ก่อนผมเข้าใจว่าจะเป็นตนเป็นโตเทวดาก็เช่นเดียวกันนึกว่าอยู่บนสวนั้น้าแต่เมื่อมาทำควมรู้สึกตัวนี่มันเกิดรู้ทุกอย่างทีเดียวผีคือคนทําชั่วพูดชั่วคิดทั่วท่านเคยได้ยินบ้างไหมว่าคนทําทั่วพูดชั่วคิดชั่ ว, วเขาเรียกผีคือผี ดังนั้นจึงคนไม่มีตาทิพย์จึงไม่เห็นสีคนมีตาทิพย์ขึ้นมาเมื่อใดเห็นสีเมืนะ่อนันคนใดทำดีพูดดีคิดดีแต่งเนื้อแต่งตัวสวยสดงดงามถ้าเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเท่านี้คือเทวดานางนี้คือเทวดาถ้าคนเ้่าคนแก่ก็ว่าคือพระธรรมอยู่ดีกินดีคือพระธรรมอันนี้แสดงว่ามีตาทิพย์ เกิดขึ้นแล้วรู้อย่างผูร้รู้ก็เลยเข้าใจเรื่องสมมุติผู้ใหญ่บ้านก็สมมุติขึ้นคำนั้นก็สมมุติขึ้นแต่คนคนนั้นเนี่ยแต่สมมุติขึ้นผู้ลงเรียนตำรวจทาหารอันใดสมมุติทั้งนั้นแม้ที่สุดเงินทองที่เรามาสมมุตขิขึ้นลาคาบาทหนึ่งบ้านผมทีแรกเป็นเงินเหรียญน้ำหนักตีสลึง แล้วก็เมื่อปีเป็นเป็นเงินกีบเป็นของหลั่น้ำหนักเก็บสลึงเป็นเงินแท้ตีดังเขา่าเงินน้าปีอะไรคนเฒ่าคนแก่ท่านสอนแล้วก็มีเหรียญสลึงมันเหรียญเหมือนกันแล้วก็มีสตางค์ทิศสตางค์ห้าสตางค์แดงแต่ตัวกระดาษด้วยเงินนั้นมันไม่รู้จักคนไปสมมุติให้มันเมื่อสมมุติให้มันก็นเลยลืมของคํา มีราคาดีแต่ตัวทองคาไม่รู้ว่ามันเป็นทองคำตัวเงินก็เช่นเดียวกันมันไม่รู้ว่ามันเป็นง ค, คนจึงไปสมมุติให้มันเมื่อสมมุติขึ้นให้มันแล้วก็เลยไม่รู้เนี่มันเป็นเพราะอะไรจังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้สมมุติดีครบถ้วนดีแล้วผมกลรู้เรื่องศาสนาศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผูู้รู้ให้รู้เรื่องอันใดค น, นําเรื่องนั้นมาสอนสอนทางตาให้ดู ให้ฟังคนมีความรู้เรื่องดูเรื่องงานงานดีเขาก็สอนให้ดูเรื่องงานงานดีคนใดมีความรู้ทางกาบผีไหว้ผีเขาก็สอนให้ไหว้ผีกราบผีคนใดรู้เรื่องกราบนางธรณีก็กราบนาโทรณีบ้านผมบางคนเอาที่ดินขึ้นไปไว้บนบ้านขึ้นไปไว้เท ว, ว่าทเท ว, วดาอะไรเงี้น เอานางพรมีไปรักไม่เข้าใจสมัยนั้นผมไม่เข้าใจจริงๆเมื่อรู้ศาสนาดีครบถ้วนแล้วศาสนาเจอข่าวหรือว่าที่พึ่งของแม่ปรูบาอาจารยส์สอนไม่รู้เขารู้อย่างไม่รู้พุทธศาสนาพธธานุทธะเปโวารู้แกล้งรู้จริงก็เลยรู้ศาสนากับพุทธศาสนาขึ้นมาได้ แต่ก่อนที่ผมรู้ศาสนานั้นต้องมีวัดมีพระพุทธรูปมีตัวหนังสือมีเนนมีพระมีบทมีศีลบ้านใดไม่มีอย่างนั้นเรียกว่าบ้านนั้นไม่มีศาสนานเข้าใจยังแต่เมื่อมารู้อย่างผู้รู้แล้วศาสนานนั้นคือตัวคนทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนานพุทธศาสนานคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญา มารู้เรื่องลูกเรื่องน้ำนี่เองเมื่อรู้ภพทกศกัฐ์นาดีครบจบทั่วแล้วผมก็เลยรู้บากรู้บุญบาปคืออะไรอยู่ที่ไหนผมรู้บาปคือไม่รู้แก่ไม่รู้จริงนี่ว่ามืด อ, อันเองเขาพูดอะไรก็เสื่อไปโดยเงเงือกหนะห ะ, ะโดยไม่เข้าใจก็เรียกว่าบาป คือหนักปกหนักใจมือตื้ออยู่ในใจเมื่อกลับเข้าถ้ำนี่เองอันนี่เจีาบาเพราะมันไม่รู้มันไม่เข้าใจคนไม่รู้ตัวเองไม่เข้าใจตัวเองอยู่นั้นเรียกวา่าเป็นคนบาปเธอจังจักสาสนให้ถามอยู่กับยา ง, ยางไม่เข้าใจเป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อผมรู้บาปบาปบุญดีละบุญคือรู้บุญคือเข้าใจ บุญคือขาวบุญคือสะอาดบุญคือสวา่างแจ้งขึ้นมาในขณะแต่ผมพูดนี่มันยาวครับแต่ในขณะผมรู้นั้นอุตมาเปรียบเหมือนกับมีเต้าน้ำพุงบ้านผมเลยเต้าน้ำพุงหายน้ําเต็มๆแล้วเอาเสื้อผูกต่อมันที่ยขึ้นเสื้อมันหลุดหลุดเต้าน้ํำพุงมันก็หลุดตกดตกระแทกดินแตกโอ้ น้ำกระจายทั่วในบริเวณนั้นมันมีปัญญาสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างเหมือนกับน้ำกระจายไปตามพื้นดินนั่นเองความรู้อันนี้เป็นผมรู้อย่างผู้รู้ไม่ใส้รู้จักไม่ใส่รู้สัญญามาจากคนอื่นรู้เกิดขึ้นมาจากสัญญาจริงๆตอนนั้นตอนนี้พอดีรู้จบแล้วมันเกิดปีติขึ้น คิดสงสารพ่อแม่ผู้ล้มหายตายไปแล้วนั้นหรือพี่น้องผมคนที่ตายไปแล้วนั้นก็มีอย่างไรปุ้ยตายแลย้วไม่ทมันแล้วก็คิดถึงภรรยาที่น้องเพื่อนฝูงทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกไหวคนในโลกนี่ต้องรู้ท่าทางมันคิดอย่าง พอดีผมปฏิบัติผมเกิดผมรู้ปีติอันนี้เกิดขึ้นแล้เลยไม่ได้มาสนใจเรื่องอารมณ์รูปนามมันก็เลยเข้าไปอยู่ในความคิดเข้าไปอยู่ในความคิดมันก็เลยเป็นความคิดรู้ไม่ใช่ความคิดที่มารู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวมันรู้ออกไปนอกตัวมันก็เลยไปตรงเอาที่คําสอนของพระพุทธเจ้าว่าทุกต้องรู้หรือกําหนดรู้มันก็เลยไม่ําหนดรู้ สมุทัยต้องละมันก็เลยละไม่ได้มันก็เลยเข้าไปในผมคิดมันติดนะมันต้องเจริญนิโรธต้องทำให้แจ้มมันก็เลยไม่ได้ได้ตั้งแต่ว่าทุกรู้ได้เลยล่อยไม่กาหนดสมุทัยต้องละละไม่ได้เรียกว่าผมเป็นวิปัสสนูตอนน่อยผมไม่รู้ดอกวิปัสสนานี่แต่เมื่อผม เดินไปเดินมาตกเย็นไปอาบน้ำเมื่อไปอาบน้ำามาแล้วหมาเดินจงกลมเมต้นุษตากับต้นหอยเรีวยกว่าต้นหมักต้นข้อกับต้นหมักพันตรงกันข้ามป ร, ระมาณหกโมเย็นจัดธรรมะเออมีความรู้สึกตนึกขึ้นมาหายหายมีคนมาถักดำที่ตรงข้างของผมนี่เอง ไว้ตัวยุดมีมีอะไรมาผักดังตรงข้างเรามองหาอะไรไม่เห็นก็เดินกลับไปกลับมาอีกครั้เกิดความคิดขึ้นมาวูบมันคิดผมเกิดรู้ขึ้นแต่ยังไม่สะอาดซึ่งขั้งที่สองนี่มันคิดขึ้นมาขั้นที่สามมันรู้มันเห็นมันเขา้าใจมันคิด พอดีมันเห็นมันรู้มันเข้าใจมันสัมผัสมันแนบแนมกับสิ่งนั้นผมก็อุปตมาให้เหมือนแมวจับหนูหนูมันอยู่ที่มืแมวมันอยู่ที่แจ้งพอดีหนูออกมาแมวไม่จับสมมุติว่ามันหนูมันอยู่ในรูแมวมันเฝ้าตักรูถ้ามันมองในรูหนูแมวมองอยู่ที่นั้นหนูไม่ออกเพะหนูมันเห็นแมวบัดนี้แมวต้องขยายตัวออกมาไม่ให้หนูเห็น พอดีหนูออกมาแมวมัน จ, จับหนูตัวเล็กเอือหนูตัวโตแมวตัวเล็กผมอุบลงหนูมันไม่เคยกลัวเกิดแมวไม่เคยกลัวหนูแมวออกเอือหนูออกมาแมวมัน จ, จับหนูวิ่งไปแมวมันต้องติบหนูไปเพราะหนูมีกําลังแมวไม่มีกําลังเหนื่อยแล้วแมวก็วางเหนูพอได้วางหนูหนูก็ไปได้สบายแมวก็กลับขึ้นมาหาคน เป็นยังงหนูมันไม่มาแล้วมาวอะไรก็นี้อย่าไปโทษว่าแมวทําไมจึงจับหนูไม่อยู่อย่าไปโทษต้องให้อาหารแมวทุกวันทุกวันพอดีแมวมีกําลังมากขึ้นหนูโตมาขนาดไหนแมวมันจับไม่ต้องกลพอดีแมวจับหนูหนูต้ตายทีเดียวแมวกินหนูจึงไม่มีเลือดมันตกใจมันขาดใจตายเป็นอย่างเปียกเลยก็เลยเห็นลูกเข้าใจผมที่ ในช่วงระยะนั้นเองครับเดินตรงไปกลับไปกลับมาผมเลยรู้จักวัตถุปรัมั์อากาวเห็นรู้เข้าใจทราบซึ้งถึงใจในสมุทฐานของวัตถุวัตถุจึงมีมากเส้นต้นไม้ภูเขาห้วยหนองหอวงบึงเสื้อผ้าไรนาสาโทเป็นวัตถุธรรมาอาการสภาพความเปลี่ยนแปลง ของบ่วงบึงเสื้อผ้าเป็นวัตถุทางนั้นเป็นปรมัตน์ทางนั้นเป็นอาการทางนั้นแต่คําพูดสามคำนี้มันเห็นมันรู้มันเข้าใจทราบถึงใจเป็นภายนอกบัดนี้วัตถุคือเนื้อหนังแขนขาหน้าตามือเท้าของเรานี่ยเป็นภายนอกแบบนี้วัตถุคือเนื้อหนังแขนขา หน้าตามือเท้าของเรานี่เปลี่ยนวัตถุเช่นเดียวกันเป็นปรมาัติเ์เช่นเดียวกันเป็นอาการเช่นเดียวกันวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่แล้วกำลังเห็นกำลังเป็นกำลังมีอยู่สัมผัสอยู่เรียกว่าเป็นปรมาัติ์เรากำลังเห็นกำลังเป็นกำลังมีอยู่เรียกว่าอาการสภาพความเปลี่ยนแปลงของมันเข้าใจอย่างจิตใจมันนึกมันคิดมันเห็นมันรู้มัน มันเป็นวัตถุมันเป็น p าร a m ต t มันเป็นอาการสภาพควเรเปลี่ยนแปลงมันเป็นอยู่อย่างนี้ก็เลยเห็นเลยรู้เลยเข้าใจโสะโมหะโลภะนี่เกิดขึ้นมาภายในจิตใจสำนึกขึ้นมาจิตอันี้รู้อย่างผู้รู้ไม่ใส่รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้เพราะรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อรู้อันนี้ผมก็เลยรู้เห็นเข้าใจเวทนาไม่เป็นทุกข์สัญญาไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์วิญญาณไม่เป็นทุกข์เพิ่มเลยรู้ขันห้าขันสี่ขึ้นมาทันทีในขณะนั้นเนี่ยขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผมเรียนรู้แต่ขันสี่ผมไม่รู้ตอนมาลูอันนี้ มันก็เลยรู้รูปสี่รูปสี่คือไม่เอารูปที่เป็นวัตถุมองเห็นด้วยตาเลยเอาเวทนาขันเห็นรูปสัญญาขันเห็นรูปสังขารขันเห็นรูปวิญญาณขันเห็นรูปเป็นขันติขึ้นมารู้อันนี้เข้าใจอันนี้จริงจรงิอันนี้รู้อย่างผู้รู้ไม่ได่รู้อย่างไม่รู้มันเข้าใจอย่างนั้น วันนี้เมื่อเห็นรู้อันนี้นะในขนาะนั้นจิตใจผมเปลี่ยนสองครั้งเกิดก็เห็นความรู้ความเข้าใจกิเลสปัญหาอุปาทานกรรมเป็นกิเลสอย่างหนางน้ำหนักผมตัวของผมเนี่ยสมมติว่าร้อยกิโลเบาขึ้นทันทีครับ อย่างน้อยต้อง60กิโลเออตกไปแล้วโทสะโมหะโลภะกิเรตันหาอปต า, านี้เบาขึ้นแต่เมื่อพูดตามขณะในระยะที่มันจิตใจเปลี่ยนแปลงมันเห็นมันรู้มันเข้าใจมันสัมผัสแนบแน่อยู่ผมว่าน้ำหนักผม100กิโลผมสนัดทิ่งเบาขึ้น80กิโลจริงๆเรื่องนี้ ผมก็เลยรู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นควมเป็นพระอริยมุคคลควมเป็นพระนั้นไม่ได้หมายถึงผ้าเหลืองอย่างเดียวแมกน์คนผมโคนที่อย่างเดียวควมเป็นพระนั้นมันอยู่ที่จิตใจเปลี่ยนแปลงจากควมหนักมาสู่ควมเบาจากความมืดมาสู่ความแจ้งจากความรู้จากความไม่รู้มาสู่ความรู้ มันเป็นอย่างนั้นผมนึกตัวเองเออเป็นพระได้แล้วเข้าใจอย่างนั้นจริงๆในขณะนั้นเป็นโยมผมก็ยานุกางเกณฑขาสั้นบ้างกางเกณฑขายาวบ้างเป็นบางความ ร, รู้เหมือนกันดังนั้นจึงควมรู้อันนี้มีแล้วอยู่ในคนทุกคนถ้าหากเราทำถูกต้องมันรู้จริงๆผมได้อ่านหนังสือ ทำม่วิจารเป็นผมลูนธรรมกันเกตผู้ที่จเจริญสติปัณณ์สี่อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนดุ๊กโซ่อย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างไวที่สุดนับตั้งแ่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันให้ทําให้ติดต่อกันเหมือนลุกโซ่นน ไ, ม ไ, มโซไม่ให้ขาดช่วงไม่ขัดสาย มีอ น, นิสงส์สองประการหนึ่งเป็นพระอรหันต์สองหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ต้องเป็นพระอนาคามีในปัจจุบันคบนี้หรือชาตินี้แน่นอนที่สุดคันว่าอย่างนั้นแต่ที่ผมพูดนี้อันนั้นพระพุทธเจ้าพูดหรือครูบาอาจารย์พูดท่านก็คงจะเป็นคนรู้เป็นคนเข้าใจท่านจลิ่นกล้าลักเลาะว่าเจ็ดปี หนึ่งปีเกือบเจ็ดปีเจ็ดเดือนหนึ่งวันสิบห้าวันต้องมีความสามารถรู้อย่างคุรู้จริงๆ จ, งจึงประกันรับรองคําพูดอย่างนั้นแต่วิธีที่ผมนํามาพูดนํามาเล่านํามากล่าวมาเตือนให้ทำนี้ใครชอบก็ทําใครไม่ชอบพอแล้วไปอย่างนั้นไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวัน อา น, นิสงไม่ต้องพูดความรู้ความเห็นความเข้าใจความแจ่มแจ้งความใสความสะอาด จ, จะเกิดขึ้นภายในใจิตใจของบุคคลผู้ที่ทำนั้นรับรองจะเอาซีดเป็นเดิมพันเพราะตัวเองไม่เคยรู้อย่างนี้แต่ก่อนรู้อย่างไม่รู้หรือรู้อย่างบุคคลที่สอนไม่รู้นั่นแหละรู้ตามแบบตามตำรับตำรับัดนี้ รู้อย่างผูร้รู้รู้ตามแนวผูร้รู้คือพระพุทธเจ้าสอนให้รู้อย่างดังนั้นผมจึงมีความมั่นใจนับรองประกันวิธีที่ได้วิธีพุโทโธผมก็ทำมวิธีสัมมา阿ะหังผมก็ทำวิธีนับหนึ่งสองสามผมก็ทำมวิธีพองยุคทรงกระทำมวิธีอาณาปานาจติหายใจเข้าตั้นออกเงาลมหยาบลมละเอียด ผมทำมาแต่ไม่เกิดปัญญาแต่มีความสงบความสงบนั้นจึงมีอยู่สองอย่างด้วยครับสงบแบบไม่รู้อันงสงบแบบรู้อันนึ่งจึงว่ารู้แบบไม่รู้คมสงบแบบนั้นสงบแบบนี่รู้อย่างผู้รู้เรียกว่าสงบแบบสุทธาแบบแบบหลังแบบก่อนนั้นสงบแบบรู้ไม่รู้รู้อย่างมันู้สงบแบบหลังนี่รู้อย่างผู้รู้มันเข้าใจ บัด น, นี้ผมก็เลยมาพักมันดึกมาพักมานอกแต่ความรู้มันรู้ในระยะเดียวครับผมเข้าใจเรื่องพระอริยบุคคลหรือโสดามะโสดาผลสักคิทาคามิมะสักคิทาคามิผลรู้อยู่ในช่วงนี้ครับตอนดึกมาผมเป็นหน่อนตื่นตอนเช้ามาครับบัดนี้ตอนเช้าผมมา แปรงฟันล้างหน้าแล้วก็ออกไปเดินจงกรมผมนอนตื่นขึ้นมาผมต้งนั่งประเพียรทำผมเทียนอยู่ในห้องพอดีผมล้างหน้าแปรงฟันผมไปเดินจงผรมผมมีเทียนไขติดใต้ไว้ตัวตะขาบตัวหนึ่งบ้านผมยกที่เข็บแลนผ่านหน้าผมไปผมกลัวตะขาบกลัวให้เข็ดมากัดผมก็เลยเอาไสเทียนไขติดตาม ตัวขี้เข็ดตัวตะขาบมันไปไม่เห็นไม่เห็นผมก็เอาเตียงไขไปวางไว้ที่เดิมแล้วก็มาเดินตรงกลมกลับไปกลับมาเกิดมีความเห็นความรู้ความเข้าใจปกติขึ้นมาคําว่าศินไม่ได้หมายถึงศิลห้าสินแปดสินสิสินสองร้อยสิน 200, สามร้อยอะไรกันศินหมายถึงปกติคือปกติกายปกติวาจาปกติใจ ตอนที่จะปกติกายปกติวาจาปกติใจเรต้องโทสะโมหะโลภะหรือกิเลสตัณหาอุปทานกรรมเมฆลดน้อยเบาบางไปเวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์วิญญาณไม่ทุกข์นี่เรี่ว่าเทวดาจิตที่นี้เองดังนั้นเศีลจริงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยา ที่เลดยังหยาบตกไปหลุดไปหรือเบาบางไปแล้วสิลจริงปรากฏเมื่อผมเห็นสิลรู้สินเข้าใจสิลแต่ไม่ได้ศิลห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยสินสามร้อยเหล่านั้นศินเหล่านั้นเป็นเพียงสินสังคมหรือสมมุติขึ้นจึงรู้จักสมมุติชัดเจนรู้อย่างผูรู้ไม่ใช่รู้อย่างไม่รู้เป็นอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อผมรู้อย่างนั้นผมก็เดินกลับไปกลับมารู้จักสินขันสมาธิขันปัญญาขันผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจอย่างนี้สินขันขันหมายถึงที่ลองรับต่อสู้หรือสมมุติเอาเป็นขันตักน้าถ้าขันแตกขันไม่ดีขันหัวตักน้ำไม่ได้กินถ้าขันดีเอาไปตักน้ำไม่หัวไม่รั้วบ้านผมนี่ว่าไม่หัว ไม่แทะไม่ถึง่ตักน้ำกว่าได้กินจะเอาไปทําอะไรได้ทางน้นถ้าขันดีเดีวยวสนขันสมาธิขันตัวสมาธินั้นคือมีอะไรสัมผัสที่ไหนรู้เรียกว่าสมาธิแต่ว่าตั้งใจมั่นคือไม่ได้สมาธิไม่ได้สร้างอะไรคือเรารู้สึกตัวนี้เองนี่ว่าสมาธิขันปัญญาขันคือเห็นแก้งรู้จริงตามโฟมเป็นจริง เมื่อผมรู้สินขันสมาธิขันปัญญาขันในขณะนั้นผมมีผ้าอาบน้ำไม่ออกในเทียนทำให้ไปฟืนสิบสองผ้าขันฟืนขันตั้งเสื้อตั้มผ้ามันหน้านน่งหน้าถือมันละเอียดเนื่อน่ะผ้ามันนีก็เลยเปียบได้อย่างนั้นขันจึงเป็นการทะลุบทผงให้มันแตกไปเรียกว่าอาทิต์สินงสิท ที่กิตับสิกขาที่ปัญญาสิกขาสิกขาแปลบทคล้ายๆคือเราตำห ม, มักพิกหรือตําอะไรก็ตามำน่ะเอามาโคกมาบทเข้าให้มันแหลกขึ้นมาละเอียดทลายไปทํำลายสิ่งเหล่านั้นไปมันเข้าใจอย่างนนั้เมื่อเข้าใจอย่างนั้นผมจึงเข้าใจโคมสงบแน่นอนใครจะพูดยังไงผมก็ไม่เชื่อเรื่องนี้โคมสงบสมถะอมตะฐานสงบอย่างหนึ่ง คนสงบวิปัสนากรรมฐานมาสงบอย่างหนึง่งเกิดความเห็นความรู้ความเข้าใจทราบซึ่งสัมผัสแนบแน่นอยู่ภานจิตใจเป็นอารมณ์เป็นพักเป็นตอนเป็นพักเป็นตอนไปตามลําดับลําดับไปก็เลยเห็นรู้เข้าใจตามาสาวะภาวาสาวะอนิสาสาวะเข้าใจอย่างนี้เห็นอย่างนี้เข้าใจอย่าง จำพวกไปทำกรรมฐานไม่เห็นไม่รู้แต่ผมไม่ได้พูดคนอื่นนะผมพูดเรื่องตัวผมผมนั่งทำคสมสงบได้ในขณะที่ผมทำพุโทโธสัมมา阿ลหังนับหนึ่งสองสามหรือในขณะช่วงที่ผมทำสัมมา阿拉หังหรือนับหนึ่งสองสามท่องยุก หายใจเข้าหายใจออกผมไม่เห็นไม่รู้มันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเหล่านี้กิเลสเหล่านี้มันอยู่เหนือหรือมันสูงมันจึงตกอยู่ในอำนาจของผมไม่รู้เรียกว่ากามกา ม, มาสาวะบุคคลที่ตกอยู่ในอำนาจของกามผมเข้าใจว่าผมตกอยู่ในณในอำนาจของกาม ในขณะนั้นภาวาสาวะผมอยู่ตกอยู่ใต้อำนาจของพบความภพความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยภพชาติอภิชาตภาวะผมไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจผมจึงไปนั่งเอาความสงบแบบนั้นเรียกว่ามันสงบอันนั้นสงบแบบผู้ไม่รู้ สงบยิปสนานี่สงบแบบผู้รู้แจ้งผู้รู้จริงจึงว่าความสงบนั้นมีอยู่สองอย่างสมาธิก็มีอยู่สองอย่างแต่คําพูดนั้นเป็นอันเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกต้องรู้หรือ ก, กำหนดรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญนิโรธทําให้แจ้งท่านสอนเรียกว่าอริยสัจี เรียกสตรีแปลว่าของจริงของแท้ของเข้าใจจริงๆมีอยู่ในคนทุกคนผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจทราบซึ้งตึงใจอย่างนี้รู้อย่างผู้รู้ไม่ใช่รู้อย่างผู้ไม่รู้นันเป็นอย่างนั้นผมจึงได้สานึกเอาไว้อย่างนี้จากนั้นมาผมก็เดินกลับไปกลับมาเกิดความเห็นความรู้ความเข้าใจว่าทำบุญด้วยกาย ถ้าสวรรค์ wow. มีจริงไปเกิดสั้นไหนทำบุญด้วยวาจาสวรรค์ตายไปแล้วไปเกิดสั้นไหนทำบุญด้วยใจตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์สั้นไหนเป็นอย่างนี่ว่าทำบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแต่ไม่พร้อมกันกายทำดีเฉยๆวาจาทำดีเฉยๆใจทำดีเฉยๆคนละอย่างละอย่างกันไปอย่างนี้แบบนี้ทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจา ทำดีด้วยใจพร้อมกันทั้งสามอย่างนี่แหละแล้วตายไปแล้วถ้าหักสวรรค์นี่ผ่านมีจริงไปเกิดสั้นไหนถ้ามันมีจริงนะไเห็นรู้เข้ามาอย่างนี้ในทางตรงกันข้ามแบบนี้ถ้าทําบาปด้วยกายตายไปแล้วไปตกนรกสั้นไหนถ้าทําบาปด้วยวาจาตายไปแล้วไปตกนรกสั้นไหนถ้าทําชั่วด้วยใจทําไม่ดีนะ ตายไปแล้วไปตกนรกทัานไหนสามอเนธรรมทั้งสองด้วยกายทำทั่วด้วยวาจาทำทั่วด้วยใจทําคนละทีกันบัดนี้พร้อมกันทีเดียวทําทั่วด้วยกายทําทั่วด้วยวาจาทำทั้งสด้วยใจตายไปแล้วไปตกนรกทัานไหนมันเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาเดินกลับไปกลับมามันเป็นอารมณ์มันเข้าใจทราบซึ่ง เรียกว่ารู้ตามผู้รู้อันนี้นีปัสนาจิตมาลู้แจ้งลู่จริงต่างเก่าร่วงภาวะเดินมันเป็นยังเดินกลับไปกลับมาคล้ายๆคือผมถอดเสื้อถอดผ้าถอดออกคหมดเนื้อหมดตัวนี่เลยครับมันหลุดออกจากกันไปหมดเลยเรียกว่าเบาขึ้นหมดตัว ค็ดแล้วคำนวณ น, นะครับผมว่าผมเดินเขินดินขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตรแต่ผมไม่รู้ว่าเท้าผมเหยียบดินเมาตัวไปผมเห็นผมรู้อันนี้เพราะมันขาดต่อกันมันจืดมันแห้งับเหมือนกับสำลีนี่ครับมันถูกน้าบีดน้ำออกหมดสำลีตรองแห้งแต่ผมสมมติเอามือผมมากดว้องมือมือผมมันแดง พอดีเอานิ้วมือกดนิ้วมือมันขาวเรื่องมันรีบไม่ได้แล้วก็มาสมมุติ เ, เราอุ้มเด็กเด็กพาโลกเกิดมาในระยะสองเดือนสามเดือนเราไปอุม้มเอามือเราไปแตะไปก้นมันก้นมันขาวสะโพกโก้นมันขาวพอดีเราเอามือมันออกสะโพกก้นเด็กเด็กนั่นมันก็แดงขึ้นมามันเป็นอย่างสมมุติให้ฝักเนี่ความหลุดพ้นมันหลุดไปจริงๆเหมือนกับคนแก่ แต่กุญแจมันสักเดียวครับลูกมันหลายตัวการปฏิบัติธรรมต้องหาวิธีให้มันถูกช่องถูกเรื่องถ้ามันไม่ถูกช่องไม่ถูกเรื่องมันจะไม่เข้าครับโตกุญแจนั่นแม่มันตัวเดียวเอาลูกใดไปซุกเข้ากับเข้าแก่มันบิดไม่ออกถ้าไม่เป็นลูกของมันจริงๆล้วมันบิดไม่ออกมันไม่ไข่ถ้าเป็นลูกของมันแล้วไม่นานบิดแป๊บเดียวออกมาทันที เป็นอย่างดังนั้นการเจริญสติทําความรู้สึกตัวตื่นตัวทําความรู้สึกใจตื่นใจนี้มันเป็นวิธีที่ขายเกลียวน็อตแวนกับน็อตมันหันเข้ากันแน่นแล้วเราหมายเกลียวมันออกถ้าเรายังไม่ขายเกลียวมันออกมันก็หันแน่นอยู่อยางนั้นเลยครับเมื่อเราขายเกลียวมันออกแล้วมันไหลออกคนเดียวมันเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อทำถูกวิธีเราต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจทราบซึ่งแนกแนกอยู่กับสิ่งนั้นอุปมาของที่ค่อมหน้าอยู่ไม่เคยหงายหน้ามาันมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นเมื่อเราไปหงายหน้าของที่ค่อมขึ้นมาแล้วมันก็อย่างนั้นเองดังนั้นของสบายสบายไปทำให้มันยากขึ้นมา ของสั้นๆมวไปทำให้มันยุ่งขึ้นมาเหมือนกับคนแก่แม่มันตัวเดียวลูกมันหลายตัวแต่ซอดเข้ามันไม่ถูกจังหวะมันก็เลยไม่ไขมันไม่ใช่ลูกของมันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นลูกของมันจริงๆซุกเข้ามันพอดีไขออกมาทันทีอันนี้ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังผมจึงเข้าใจวัดคุกต้องรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญ นี่รถทำให้แจ้งตอนนี้ผมเป็นนิระหลา์ครับเมื่อรู้อันนี้ผมลืมอารมณ์ผมก็เลยไปติดผมรู้ไปติดความสบายในประมาณคิดแล้วจากห้านาทีเนะียยังนานครับผมก็เลยมาสำนึกได้มันต้องมีอารมณ์ผมเลยทำความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจกลับเข้ามารู้มาเห็น มาทวนอารมณ์ตั้งแต่รูปนามนขึ้นไปอารมณ์ปรามัตดขึ้นไปเป็นจังหวะจังหวะเป็นขั้นเป็นตอนไปตามลำดับที่ตัวเองรู้ที่ตัวเองเห็นที่ตัวเองเข้าใจที่ตัวเองสัมผัสแนบแน่นกับจริงเหล่านั้นความสุขหรือความสบายเหมือนกันเลยจาไปก็เลยมามีคมเห็นความรู้ความเข้าใจ ที่มันจืดมันแห้งที่มันเข้าใจแนบแน่นกับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นความรู้อันนี้จึงไม่ขึ้นอยู่กับลัทธินิการใดๆคนไทยก็ปฏิบัติรู้คนจีนก็ปฏิบัติรู้คนฝรั่งเศสก็ปฏิบัติรู้คนอังกฤษก็ปฏิบัติรู้คนอินเดียที่พระพุทธเจ้าตัดกรุก้พระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียปฏิบัติคนรู้ คนลาวคนยวนคนขมิรู้ทั้งนั้นผู้หญิงผู้ชายรู้ทั้งนั้นพระสงฆ์องค์หนึน่งรู้ทั้งนั้นอันนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆทั้งหมดมันจึงนอกเหนือจากที่เราเรียนมาที่เราเรียนมาจากตำลับตารานั้นมันเรียนรู้ในตำลาแต่มันรู้อย่างไม่รู้อันนี้เรียนในตัวเองมันรู้อย่างผู้รู้ รู้แจ้งเห็นจริงอันนี้แหละครับที่ผมหนักสำนึกหนักใจไว้ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆใครจะคิดว่ามันผิดมันก็ผิดของท่านมันถูกต้องของผมเพราะผมพูดผิดไปทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็คิดถึงพ่อแม่ผู้ล้มหายตายไปน่าเสียดาย คนทำไมของง่ายๆก็ไปทํามันมันยุ่งของสั้นไปทําให้มันยาวเปรียบได้กับพระพุทธเจ้าวะ่ะใบไม้ไหนป่ากับใบไม้กับมือเดียวนี่ของที่ทำเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองครับทําให้มันถูกจังหวะเท่านั้นเองเมื่อออกพรรษาแล้วบ น, นี้ผมก็ออกได้อ่ะซื้อผ้าสบงไปไหหละห้ามไปเมืองลาวครับ ไใครแล้วว่าอาจารย์ปาลอาจารย์ปานเป็นคนอาจารย์มั่นมาสอบอารมณ์ผมแต่ผมไม่ได้รู้ไม่ได้พูดเรื่องอาจารย์ปานถามเรื่องอีปปัตติภูมิับผมวันนี้จะรอให้ฟังพอดีผมรู้เรื่องนี้นะอาจารย์ปานถามเป็นยังไงผมก็ว่าเหนื่อยเพราะผมเป็นลมขาวนั้นเหนื่อยเป็นยังไงมันเหนื่อยนั่งอยู่ให้มีสติไหมข า, านขาน มีสติอยู่ที่ไหนท่านนั่งอยู่ดีนะท่าเกเล็กบอกผมกลับเข้าห้องกับ ม, าามันหาผมก็เกิดคมรู้ขึ้นมาในขณะนั้นผมรู้เรื่องปราัมมัชใหม่ๆครับรู้อารมณ์ลุกนาใหม่ๆครับแม้ผมเนี่ยอาจารย์ตาไม่มาถามปัญหาเรื่องนี้ผมก็เลยนึกในใจเอาเที่ยวหลังผมต้องแก้ปัญหาอาจารย์ปาผมก็ต้องแก้มันนี่มาถามปัญหาไม่ได้ถามอย่างตรงไปตรงมา เราพูดตรงไปตรงมาอาจารย์ถามปัญหามันก็ไปคนละเรื่องกันทีมั้งผมเข้าใจอย่างนี้บัดนี้ตกวันหลังมาเพราะว่าวันไม่ตรงกันวันสิบสี่ค่ำของเรากับวันสิบสี่ค่ำของเมืองลาวไม่ตรงกันมันเป็นแปดสองขนแปดสองขนคือเมืองลาวมันอย่างหนึ่งเมืองไทยมันอย่างนึครับพอดีท่านมาเป็นวันสิบห้าค่ำเป็นวันสิบสี่ค่ำกันเลย ถามนักปฏิบัติพระ25สิห้าลูกโยมห้าคนไปก่อนผมสี่คนผมเป็นคนสุดท้ายพระเนนญาติโยมหลายคนไปฟังเทศอาจารย์ตามาเทศวันพระบบ น, นี้เราก็ไปทั้งกำถามโยมเสียงคานเป็นยังไงบัดดีผมต้องแก้ปัญหาอาจารย์ตาผมต้องไม่พูดตรงแต่ตรงตรงก็ตรงเป็นปัญหาก็เป็น ผมกระติดอย่างนี้ไม่เป็นอย่างไงเฮ่ทําไมไม่เป็นอย่างไงผมไม่เป็นอย่างไทางท่านก็ถามรู้อะไรรู้บ่นเลยท่า น, นก็บอกรู้อะไรรู้ตัวผมเออคนไม่รู้ตัวเองนี่ก็ บ, บ้าสิโอ้ผมบ้าจริงจริงเมื่อกับคนตายนะครับแต่ก่อนผมรู้อย่างไม่รู้บัด น, นี้ผมรู้อย่างผูร้รู้ผมก็ตอบอย่างนี้ตอบอย่างนี้ท่านอาจารย์ตาอน เ, เออ รู้อะไรรู้ตัวของผมทําไม่รู้อะไรรู้ตัวของผมจริงๆรู้คนอื่นผมเอามาพูดไม่ได้ท่านก็เลยถามหมักทิกเหตุไม่โยมนห ม, มักพทิกไม่เผ็ดผมเลยตอบอย่างนี้ทําไมไม่เผ็ุเ พ, พราะหมักทิกมันไม่ได้อยู่กับปลายลิ้นผมผมจูงไม่มีผมรู้สึกหมักทิกเหตุหมักแก้เป็นปัญหาแจะความจริงครับความจริงอันนี้แหละเป็นปัญหาปัญหาอันนี้แหละเป็นความจริง แล้วท่านก็เลยถามน้ำอ้อยหวานไม่ไม่หวานทำไมจึงไม่หวานเพราะน้ำอ้อยน้ำตาลมันไม่ได้อยู่กับปลายลินผมผมจริงไม่มีมผวมรู้สึกในขณะนี้ผมมีความรู้สึกไม่มีอะไรในตัวผมท่านก็เลยถามไปดำอะไรดำมากเลยดำไม่มีในดำครับดำเหมิดกับดำเท่านั้นผมเลยตอบอย่างนี้แดงบัดเนี้แดงก็ไม่มีในแดงแดงสุดกับแดงเท่านั้นครับ คำ่าแดงก็เหมือนกับแดงนั่นเองท่านก็เลยเฉยไป <H> um> พูดอย่างนี้ท่านก็เลยสมมุดขึ้นเลที่วัดเนี่ยเป็นเห็นวัดี่ยทุ่งนาเนี่ยที่ทุ่งนาออกไปบ้านจี่ใหม่เนี่ยเป็นรงเป็นป่าลึกแล้วมีโยมคนหนึ่งมาพบกับอาจารย์อยู่ที่วัดนี้แล้วโยมเสียงคารเนี่ยต้องอยู่ที่พุ่มบ้านสจีนใหม่พุ่มแล้วคนที่ ไปบอกโยมนั้นมีปืนเขาไปยิงเสือใส่ไว้ที่ตรงนั้นเนี่ยไปบอกโยมให้โยมมห า, หาอาจารย์จะมาไหม ท, ท, ท่านถ้าอาจารย์สั่งแล้วก็ต้องมามาหาอาจารย์เพราะคูบาอาจารย์เป็นผู้ที่แนะนําผมรู้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติยังวรู้จักบุญคุณของคนค่าคุณของคนต้องมาครับถ้ามาที่นั้นเสือใส่กลับ จะมาไหมเพราะเขายิงเสือใส่ปล่อยไว้ที่ตรงนั้นมาครับจะมาอย่างไงมาเพราะก็มานําทางนั่นเองครับถ้ามาตามทางนั้นเสือใส่ต้องแต่เสือใสจะจริงไม่จริงผมยังไม่เห็นเมื่อผมเห็นเสือเมื่อใดผมจึงจะรีบเสือได้เมื่อ น, นั้นเมื่อผมยังไม่เห็นเสือเมื่อใดผมจะรีบเสือไม่ได้มงกลิตตอบอย่างท่านก็เลยว่าเออดีไม่มีคนพูดอย่างนี้ท่านก็เช่น หลายเรื่องเต่ไม่ต้องพูดเร่องนั้นครับผมลขึ้นมาบ้านมาทําสํานักเปิดอบรมเพราะผมว่าทุกคนต้องลงมาพือกำมาเอาแม่บ้านของผมนี่ว่าภรรยานี่แหละเข้าปฏิบัติอบรมคนเพื่อนเพราะว่าเรารักเราเข้าใจของดีเนี่ยต้องเอาให้คนที่ชอบพอกัน หรือทั่วไปถ้าของดีไม่ให้คนที่ชอบพอกันแล้วไปให้คนอื่นนั้นนั่นเรียกว่ากิงน้อยไม่กิงมากถ้าของดีจริงๆเล้วยคนใดชอบพอกันแล้วต้องพยายามให้ผมจึงได้ให้สอนให้วิธีทําจังหวะวิธีนัง่งวิธีนอนวิธีกราบวิธีไหว้ ผมเข้าใจเรื่องเบนจังคาปิ์แต่ก่อนผมไม่เข้าใจเบนจังคาปิ์พร้อมด้วยองค์ทั้งห้าเมื่อกลาบลงมากบมือสองมือเข้าสองตอกสอ ง, สอ ง, สองมาจู่กันแล้วก็หัวก้มลงจดกับพื้นอันนั้นเป็นเบนจังคาปิ์ที่ผมเรียนมาจากครูจากอาจารย์ต่อมาเมื่อผมมารู้อันนี้เบนจังคาปิ์หมายถึงองค์ทั้งห้า หนึ่งเอาเือกากลงสองเอาหัวจบลงสามเราจะเอามือเอาเขี้ยนจบลงเป็นห้าจังหวัดหนึ่งสองสามหมักแปกเปขาแปะจหน้าปกอันนี้อันนี้แหล ะ, นนหละเด่นจงังครับปะฏิรู้อันนี้แหละครับเดี๋ยวปฐมมาถานทุติยฐานตัตติยฐานจัตุทฐานปัญจะมาถานพร้อมด้วยองค์ทั้งห้าอันนี้ ดังนั้นที่ผมนําธรรมะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้เห็นว่าจะมีประโยชน์แก่บุคคลผู้ที่สนใจผมไม่มีอื่นใดที่จะนํามาเล่าสู่ฟัง น, นอกจากคนจริงที่ผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจมานี้มาแนะนําให้พวกเราผู้มีศรัทธานําไปประพฤติปฏิบัติท้ายที่สุดนี่ผมขออ้างอิง